น่ากลัวมากๆเลยคุณผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องวิญญาณค่ะที่ตายวนเวียนตายแล้วตายอีกเนีคะเขาเรียกว่าอัตตะวินิบาต ก, กรรมก็คือการฆ่าตัวตายก่อนเวลาจะหมดกรรมหรือว่าก่อนที่จะสิ้นอายุไขนี่แหละนะคะตามความเชื่อของทางพุทธศาสนานะบอกว่าจะต้องวนเวียนกลับมาตายซ้ําแล้วซ้าเล่าอยู่ที่นั่นจนกว่าจะถึงเวลาตายของตัวเองจริงๆ